ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคิตาจารย์ชาวสีลังการัชนาะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบุสุ ธ, ธนรกสิบหกขุมในบรรดาอุสุ ธ, ธนรกเหล่านั้นเวตรณีนรกตั้งขึ้นเพราะกรรมปัจจัย และระดูเป็นขุมที่หนึ่งก็ในมนุษยโลกนั้นพวกมนุษย์ที่มีกำลังทางกายมีกำลังโพคสมบัติมีกำลังทางอาจยาพาการเบียดเบียนพวกสัตว์ที่มีกำลังอ่อนทำให้กลัวกระทำการฆ่าและการจองจำเป็นต้นแย่งชิงสิ่งของของสัตว์เหล่านั้นถือเอาแล้วเกิดขึ้นในเวตรณีนรกพวกนนิระยานในเวท เวตานีนรกนั้นพากันถือดาบหอกและโตมรเป็นต้นที่ลุกเป็นไฟช่วยการประหารแทงโบยตีสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นไม่อาจอดกลั้นความทุกขนั้นพากันโดดลงในแม่น้ําเวตาลนีแม่น้ําเวตาลนีนั้นก็พังทลายแตกกระจายข้างบนปกคลุมด้วยเถาวน้าหวายประมาณเท่าขนหางสัตว์ พวกสัตว์นรกเหล่านั้นแลเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยบนลําธารมีดโกนอันคมบนหนามแหลมคมที่ลุกโพลงอยู่หลายแสนปีในแม่น้ําเวตรณีนั้นข้างใต้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นมีเหลาเหล็กขนาดเท่าลําธารโผล่ขึ้นมาพวกสัตว์นรกนั้นถูกเถาหนามหวายเสียบเผาไหม้อยู่นานดุดพวกปลาที่ถูกเสียบที่เหลาแม้เหล็กเหลาก็ลุกโพลง แม้สัตว์นรกก็ลุกโพลงก็ข้างใต้เหล็กเหลาทั้งหลายมีคมมีโกนทั้งหลายมีใบบัวเหล็กคมกริบลุกโพลงอยู่เหนือผิวน้ําพวกสัตว์นรกเหล่านั้นพลัดตกจากเหล็กเหลาลงไปที่ใบบัวเสวยความทุกข์ที่เกิดแต่การบันแสนนานจากนั้นก็พากันตกลงไปในน้ํากรดน้ําก็ลุกโพลงพวกสัตว์นรกก็ลุกโพลงควันไฟก็พุ่งขึ้น พื้นแม่น้ำข้างใต้น้ำดารดาดด้วยคมมีดโกนทั้งหลายพวกสัตว์นรกเหล่านั้นพากันคิดว่าข้างใต้เป็นเช่นไรหนอแลจึงพากันดำลงในน้ำต่างก็แหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่บนคมมีดโกนทั้งหลายพวกสัตว์นรกเหล่านั้นไม่อาจจะอดกลั้นความทุกข์ทรมานนั้นได้พากันเที่ยวร้องครวญครางน่ากลัวมาก บางคราวก็ลอยตามกระแสน้ำบางคราวก็ลอยทวนกระแสน้ำเวตระนีนรกเป็นอย่างนี้นรกคุมที่สองเป็นนรกสุนัขสุนัขขนรกสำหรับลงโทษแผดเผาพวกสัตว์ผู้กระทาบาปซึ่งมีความตรณีดาบริภาทสมณะพราหมณ์ก็ในนรกสุนักนั้น มีตุนัตทั้งหลายตัวเท่าช้างขนาดใหญ่ห้าสีดุร้ายและนกแรงทั้งหลายนกกาทั้งหลายลำตัวเท่าเกวียนคอยกัดกินพวกสัตรนรกนรกขุมที่สามมีพวกมนุษย์ผู้ใช้หอกปากผู้ทิ่มแทงพวกสัตว์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลศีลราจาระผู้ไม่มีความผิดประทานการทุบตีการเบียดเบียนการฆ่าและการจองจาเป็นต้น แล้วเกิดขึ้นในสะโชตินรกเป็นนรกขุมที่สานี้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นเดินเหยียบไปบนแผ่นดินที่ลุกโพลงแม้แผ่นดินก็ลุกโพลงแม้สัตว์นรกก็ลุกโพลงพวกนายนิรยาบาลพาการวิ่งไล่ตามใช้กระบองเหล็กที่ลุกโพลงขนาดเท่าต้นตาลตีที่แข้งจนล้มลงแล้วใช้กระบองเหล็กนั้นทุบตีจนแหลกละเอียด นรกขุมที่สี่มีพวกมนุษย์ที่กินสิ่งของที่ผู้อื่นรวบรวมมาจากที่ต่างๆด้วยตั้งใจว่าจะสร้างวิหารหรือจะกระทาการบูชาแล้วเกิดขึ้นในอังคารกาสุก็คือหลุมถันเทิงหลุมคี้เท่าพวกสัตว์นรกนั้นถูกนายนริยบาลห้อมล้อมใช้อาวุธที่ลุกโผงฝฟาด จ, จนล้มลงที่นรกอังคารกาสุ ดุดพวกแม่โคที่ไม่ยอมเข้าคอกถูกนายโคบาลไล่าฟาดเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมลงจนถึงสะเอวพวกนายนิรยาบาลใช้กระบุงเหล็กลูกใหญ่โปรยฐานเพลิงในเบื้องบนอุตส่นรกขุมที่ห้าพวกมนุษย์เหล่าใดเบียดเบียนทำสมณะหรือพรามให้กลัวพวกมนุษย์เหล่านั้นย่อมตกลงในโลหะกลุมพีนรกขุมที่ห้า หม้อโลหะมีประมาณเท่าภูเขาลูกใหญ่เต็มด้วยน้ำทองแดงที่ขังอยู่นับเป็นกับพวกนายเิรยะบาลในโลหะกลุมพีนรกนั้นช่วยกันจับพวกสัตว์นรกเหล่านั้นเอาเท้าขึ้นเอาหัวลงโยนลงในหม้อโลหะนั้นพวกสัตว์เหล่านั้นย่อมเสเหวยความทุกข์อย่างมหันตุสัตว์นรกขุมที่หกในโลหะกลุมพีขุมที่หกนั่นแลพวกมนุษย์ ที่จับนกทั้งหลายแล้วบิดคอเคี้ยวกินพวกนาย น, นิรยาบาลจะใช้เชือกเหล็กลุกโพรงผูกคอพวกสัตว์นรกที่เกิดในนรกนั้นดึงสริระประมาณสามคาวุธกับประมาณสิบสองกิโลเมตรน้อมลงมาบิดบิดคอจนหมุนไปได้รอบๆจนขาดแล้วเอาท่อนเหล็กที่ลุกโพรงขีดโยนลงไปในโลหะกุมพีที่ลุกโพรงนั้น แล้วพันแล้วพากันหัวเราะชอบใจก็เมื่อคอนั้นถูกบิดจนขาดไปก็มีศีสษะกับคอนจากนี้เกิดขึ้นอีกอุสุทนรกขุมที่เจ็ดพวกมนุษย์เหล่าใดเอาข้าวเปลือกบริสุทธิ์ปนกับฟางแกลบหรือฝุ่นแล้วรับเอามูลค่าจากมือคนที่ซื้อโดยคิดว่าเราจะให้เงินที่บริสุทธิ์ก็คือเงินแท้พวกมนุษย์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในนรกได้ทราบมาว่า ที่ประเทศนั้นแม่น้ำมีน้ำบริบูรณ์น่ารื่นรมไหลไปพวกสัตว์นรกเร่าร้อนเพราะความร้อนแห่งไฟไม่อาจอดกลั้นความกระหายประคองแขนแกรมครวนเดินย่าแผ่นดินโลหะที่ลุกโพร่ลงสู่แม่น้ำในขณะนั้นแม้ฝั่งทั้งสองก็ลุกโพร่แม้พวกสัตว์นรกก็ลุกโพร่น้ำดื่มกลายเป็นแกลบและฟางลุกโพล่ พวกสัตว์นรกเหล่านั้นไม่อาจจะอดกลั้นความกระหายจึงพากันเคี้ยวกินแกลบและฟางที่ลุกโคลงนั้นแกลบและฟางนั้นเผ า, าสรีระทั้งสิ้นของสัตว์นรกเหล่านั้นไหลออกกลางส่วนเบื้องล่างพวกสัตว์นรกเหล่านั้นไม่อาจจะอดกลั้นความทุกขพากันประคองแขนข้าครวนอุสธะนรกขุมที่แปดพวกมนุษย์เหล่าใดถือเอาสวิญญาณกทรัพ อวิญญาณนกาศัพย์อันเป็นของคนอื่นด้วยการตัดที่ต่อเป็นต้นและด้วยการล่อลวงมาเลี้ยงชีวิตพวกนายเร่บานไร่ร้อมสัตว์นรกเหล่านั้นที่ตกลงไปในตุดานะนรกดุดพวกนายพรานล้อมมารึกในตาแล้วแทนข้างทั้งสองด้วยลูกศรหอกและโตมอนเป็นแผลน้อยแผลใหญ่พวกสัตว์นรกเหล่านั้นเสวยความทุกข์อย่างมหัน โอสัทนรกขุมที่เก้าพวกมนุษย์เหล่าใดฆ่าปลาและเนื้อวางขายเป็นกองที่ตลาดถ่ายเนื้อเลี้ยงชีพพวกมนุษย์เหล่านั้นเกิดขึ้นในโอรัพพิพาดินรกพวกนายนิรยบาลเอาเชือกผูกคอสัทนรกเหล่านั้นจุดฆ่าจนล้มลงบนแผ่นดินเหล็กใช้อาวุธต่างๆทุบจนพินาศ พวกสัตว์นรกพวกอื่นก็ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเป็นเหมือนถูกแบ่งเป็นกองวางไว้ที่ตลาดขายเนื้อปุตสหนรกขุมที่สิธพวกมนุษย์ที่มีหน้าที่ลงโทษเหล่าใดเหล่าหนึ่งในมนุษยสยโลกทําการเบียดเบียนเพื่อประโยชน์แก่เงินสินบนเป็นต้นเป็นสัตว์ที่ทำลายเพื่อนที่ดีกินอยู่พักอาศัยในเรือนของเพื่อนที่ดีนั่นเองแล้ว ยังให้นำเงินค่าจ้างทำร้ายมาให้อีกรับสินบนพวกมนุษย์เหล่านั้นเป็นค น, านพาลประทุษร้ายเพื่อนเกิดขึ้นในมุตตะกรีษะปุนนะรหะนรกพวกสัตว์นรกเหล่านั้นหิวโหยไม่อาจจะอดกลั้นความอยากก็ก็พากันปั้นอุจจาระเก่าที่ตกค้างมาเป็นกับซึ่งเดือดปุดเป็นควันลุกโผล่อยู่เป็นก้อนๆแล้วเคี้ยวกิน อุสธรรนรกขุมที่สิบเอ็พวกมนุษย์เหล่าใดในมนุษยโลกฆ่ามารดาดิดาหรือฆ่าพระอรหันต์เที่ยวเคี้ยวกินสิ่งของของมารดาดีดาหรือของพระอรหันต์เหล่านั้นพวกมนุษย์เหล่านั้นเกิดขึ้นในอาญาโลหิตะปุ บ, บะปุนนารหะนรกพากันข้ามลงสู่พวกน้ําที่เต็มด้วยหนองและเลือดไม่สะอาดและกลิ่นเหม็นแล้วเคี้ยวกิน สิ่งที่พวกสัตว์นรกเขี้ยวกินนั้นเผาสรีระทั้งสิ้นของพวกมันไหลออกทางส่วนเบื้องล่างกุสัธนรกขุมที่สิบสองพวกนายนิรยะบาลใช้เบ็ดเหล็กที่ลุกโพลงขนาดเท่าต้นตาลเกี่ยวลิ้นพวกสัตว์นรกฉุดลากแล้วกระตุกจากที่นั้นจนล้มลงบนแผ่นดินเหล็กที่ลุกโพรงแล้วใช้ตะขอนับร้อยตอกขึงข่า ดุดขึงหนังโคอุสภะพวกสัตว์นรกเหล่านั้นพากันดิ้นรนเหมือนปลาที่ถูกจับโยนขึ้นบนบกและไม่อาจจะอดกลั้นความทุกนั้นได้พากันร้องให้น้ำลายไหลออกจากปากก็พวกสัตว์นรกเหล่านั้นสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ได้รับแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งของผู้กำหนดราคารับสินบนแล้วลดราคาช้างและม้าเป็นต้นหรือราคาทองและเงินเป็นต้น รือกระทำการงานโกงเช่นตราช่างโกงเครื่องตวงโกงแล้วเกิดในนรกอุสุธนรกกลุ่มที่สิบสามมีพวกสัตว์นรกเพศหญิงจำนวนมากร่างกายขาดแหลกละเอียดรูปร่างแปลกน่าเกลียดเปืือนหนองและเลือดเหมือนแม่โคสีสะขาดพาการประคองแขนทั้งสองข้ามควรยืนอยู่เหมือนถูกฝังตั้งไว้ในแผ่นดินเหล็กลึกถึงสะเอว เมื่อพวกสัตว์นรกเพศหญิงเหล่านั้นยืนอยู่อย่างนี้ภูเขาเหล็กที่ลุกโผลงโผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกร้องคำรามดุดสายอาสนิบาตกลิ้งมาดุดบทขยี้สรีระของสัตว์นรกเพศหญิงเหล่านั้นที่หินลับมีดผ่านไปเมื่อภูเขานั้นกลิ้งผ่านไปสิริระของพวกสัตว์นรกเพศหญิงเหล่านั้นก็ปรากฏอีกภูเขาทางทิศที่เหลือก็กลิ้งมาอย่างนั้นเช่นกันภูเขาสองรูปก็โผล่ขึ้นมา บีบเข้นดุดเครื่องหีบอ้อยเลือดเดือดปุดปุดก็ไหลออกมาก็ในอดีตพวกสัตว์นรกเพศหญิงเหล่านั้นละทิ้งสามีไปมีจิตใจเรื่นเริงกับสามีของหญิงอื่นจึงได้ประสบความทุกข์เห็นปานนี้อุสทันรกขุมที่สิบสี่มีพวกสัตว์นรกเพศชายที่คบชู้กับภรรยาของชายอื่นแล้วเกิดในชริตะอังคาระปุณ น, นรก พวกนายนิรยาบาลช่วยกันจับพวกสัตนรกเพศชายเหล่านั้นที่เท้าเอาหัวลงพุ่งลงไปในนรกย่อมโบยตีทิ่มแทงด้วยไม้ค้อนเหล็กเป็นต้นอุสัทนรกขุมที่สิบห้าชื่อว่าโกตะสิมภริวันที่นรกนั้นมีต้นงิ้วแลนะมีต้นงิ้วแต่ละต้นขนาดประมาณโยอหนึ่งเป็นต้นไม้เหล็กหนามยาวประมาณสิบหกนิ้ว ลุกโรลงอยู่ด้วยไฟนรกพวกผู้หญิงและผู้ชายที่ประพฤติมิจฉาจารย่อมเกินในนรกนั้นในการใดสัตว์นรกหญิงอยู่บนยอดไม้ในการนั้นสัตว์นรกชายจะอยู่ที่โคนต้นผู้นายเิยรยบาลก็พากันหยิบฉวยมีดดาบหอกและโตมรเป็นต้นที่ลุกโรลงเสียบแทงยกชูขึ้นข้างบนตะโกนบอกว่ามึงจงขึ้นไปหาเมียของมึง ในเวลาที่สัตว์นรกชายถูกยกชูขึ้นปลายหนามยิ้วก็จะพุ่งลงข้างล่างสัตว์นรกชายนั้นตัวถูกหนามผ่าถูกนายนิรยาบาลทุบตียกชูขึ้นไปพวกนายนิรยาบาลย่อมทุบตีเสียบแทงสัตว์นรกหญิงยกชูขึ้นอย่างนั้นเช่นกันพวกนายนิรยาบาลฆ่าพวกสัตว์นรกเหล่านั้นยกชูขึ้นบ้างดึงลงบ้างซ้ำแล้วซ้ำอีก อุสธนรกขุ่มที่สิบหกเป็นนรกที่ลงโทษแผดเผาพวกสันนิชมิจฉาทิฏฐิพวกมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือนัตถิกาทิฏฐิเห็นว่าบาปบุญไม่มีอาเหตุทุกะทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเหตุอากิริยะทิฏฐิเห็นว่าบุญไม่เป็นอัน ร, รมบาปไม่เป็นอัน ร, รมด้วยตนเองและสอนมนุษย์พวกอื่นอย่างนั้นชักจูงให้ยึดถือทิฏฐิผิดพากันกระทำบาปไม่ใช่น้อยจึงเกิดในนรก พวกสัตว์นรกเหล่านั้นได้ประสบการ์ลงโทษทั้งหนักและเบาหลายอย่างย่อมเสวยทุกขเวทนาอย่างยิ่งไม่พึงกล่าวว่าการลงโทษนี้มีการลงโทษนี้ไม่มีแต่ถึงว่าการลงโทษนี้มีการลงโทษนี้ไม่มีเพราะมีทุกอย่างเลยพวกสัตว์นรกเหล่านั้นย่อมเสวยความทุกข์อันมีการลงโทษหลายอย่างเป็นมูลนรกทั้งหลายที่ตั้งแวดล้อมสัญชีว่านรกอยู่อย่างนี้ เพิงทราบว่าเป็นอุตรธนรกสิบหกขุมแม้มหานรกบริวารที่เหลือก็มีประมาณเท่านั้นดังนั้นจึงมีอุตรธนรกร้อยยี่สิบแปดขุมอุตรธนรกเหล่านั้นรวมกับมหานรกจึงมีจํานวนหนึ่งร้อยสามสิบหกขุมอุตรธนรกทั้งหลายมีประมาณเท่านี้เท่านั้นหามิได้แม้นรกอื่นๆก็พึงทราบว่าเป็นอุตรธนรกจํานวนมาก เหมือนคามาเขตในที่นั้น น, น, นี้เป็นการพรรณนาเรื่องนรกมีอีกมากมายเลยนะเหมือนกับหมู่บ้านต่างๆที่แวดล้อมกันแวดล้อมกันไปพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนบันลันเดียวย่อมทรงเห็นนรกทั้งหลายแม้จะปกปิดด้วยแผ่นดินด้วยทิพระจักขุดดุดทรงเห็นมะขามป้อมบนฝ่ามือด้วยประการชนี สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเรานั้นเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามคมว่าสัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจิทุจริตมโนทุจริตเล่าร้ายพระอริยทั้งหลายมีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวิิบาทนารกทุกขติระถาจบนี่ก็เป็นเรื่องของทุกขติเรื่องของอบายทั้งหลายต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสุกติบ้างละก็พระผู้มีพระภาคเจ้าม่ใช่แต่ทรงทราบอบายเท่านั้น แม้โลกสวรรค์ก็ทรงสร้างที่ชื่อว่าสวรรค์ได้แก่โลกสวรรค์เจดชั้นก็คือหนึ่งมนุษยโลกสองจารุมมหาราชิกาเทวโลกสามดาวดึงสะเทวโลกสี่ยามะเทวโลกห้าดุสิตะเทวโลกหกนิมมานารดีเทวโลกเจ็ดปรนิมิตตะวัสวดีเทวโลกสวรรค์นี้ก็รวมมนุษย์ด้วยนะ เพรว่ามีอารมณ์อันเลิศ ก, ก็มีเหมือนกันทั้นรวมเป็นสวรรค์เจ็ดชั้นแต่ความจริงแล้วมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกบรรดาโลกเหล่านั้นมนุษย์สีโลกข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นต่อแต่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวพันนาเทวโลกหกชั้นในเทวโลกหกชั้นนั้นเทวดาชั้นจตุมหาราชและพวกนาคในนาคโลกอยู่ในการปกครองของเท้าสักกะ ท้าสกะนั่นแลเป็นอธิบดีของเทวดาและนาคเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะกล่าวพรรณนาสมบัติของท้าสกะแล้วแม้เทวดาในชั้นจตุมหาราชและพวกนาคแม้เหล่านั้นก็เป็นอันกล่าวพรรณนาแล้วเทพที่ชื่อว่าสักกะเป็นพระราชาของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงอันสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวโลกชั้นที่สองมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งหมื่นโยธ อยู่บนยอดภูเขาพระสุมเมนหรือว่าสเนรุอันเดียวกันคำว่าประมาณหนึ่งหมื่นยอท่านกล่าวหมายถึงเมืองของเท้าสักกะจึงอย่างนั้นพวกเทวดาที่อยู่ในกลุ่มเทวดาชั้นดาวดึงอยู่บนภูเขาก็มีอยู่ในอากาศก็มีพวกเทวดาเหล่านั้นอยู่ถัดกันเป็นชั้นๆจนถึงภูเขาจักรวาลพวกเทวดาชั้นจะตุมหาราชและพวกเทวดาชั้นยามาเป็นต้นก็เหมือนกัน แม้ในเทวโลกชั้นหนึ่งพวกเทวดาอยู่ถัดกันเป็นชั้นๆไม่ถึงภูเขาจักรวาลย่อมไม่มีก็ระหว่างประตูทิศปาจีนก็คือทิศตะวันออกกับทิศรปารฉินคือทิศตะวันตกแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นห่างกันหนึ่งหมื่นโยธประตูทิศทักษิณกับทิศอุดรก็เหมือนกันทิศใต้กับทิศเหนือก็นะครนั้นนั่นแหละประกอบด้วยประตูพันประตูประดับด้วยสวนและสาวโบคารณี หากมีคำถามว่านครนั้นประกอบและประดับอย่างไรตอบว่าก็ด้านทิศปาจีนแห่งนครนั้นมีอุทยานอันประเสริฐชื่อว่านันทวันมีกำแพงประตูและเสารเนตรัตนเป็นบริวารบริเวณโดยรอบหนึ่งพันโยชน์เป็นสถานสำราญของพวกเทวดาระหว่างอุทยานและนครเหล่านั้นมีสะรสะบกรณีสองสระ ชื่อมหานันทาและจุรนันทาเต็มด้วยน้ำสีเขียวใสสะอาดคล้ายท้องฟ้านากาที่ฝั่งสบบระบครีทั้งสองนั้นมีลานหินรัตนะสองลานชื่อนันทาและจุรนันทามีสัมผัสสบายดุดหนังละมั่งทางด้านทิศทักษิณมีอุทยานอันประเสริฐชื่อว่าถารุสกวันแวดล้อมด้วยกำแพงประตูและเสาเนียรรัตนะ ลานกลมเนื้อที่ประมาณเจ็ดโยชน์ระหว่างนครกับอุทยานนั้นมีสาโบครณีสองสะชื่อพัฒนาและสุพัฒนางดงามที่ฝั่งสาโบคอรณีทั้งสองนั้นมีลานหินรัตนะสองลานชื่อพัฒทาและสุพัฒทาอันสร้างความนุ่มนวลความอ่อนโยนและความยินดีให้ดุดหนังละมั่งทางด้านทิศตะเฉินคือทิศตะวันตก มีอุทยานชื่อจิตตะระดางดงามประดับด้วยกำแพงประตูและเสาระเนตรรัตนะลานกลมเนื้อที่ประมาณห้าร้อยโยชน์ระหว่างอุทยานกับนคร น, นั้นมีสัมมีสโบครณีรัตนะสองสชื่อวิจิตตาและจุระวิจิตตาชื่อวิจิตตาและจุระจิตตาที่ฝั่งสัโบครณีทั้งสองนั้น มีลานหินรัตนะสองลานชื่อจิตตาและจูระจิตตางดงามและมีสัมผัสสบายดุดหนังละมั่งที่สร้างความยินดีให้แก่พวกเทวดาทางด้านทิศอุดรคือทิศเหนือมีอุทยานหมู่ไม้ชื่อมิศกวันประดับด้วยกำแพงประตูและเสาระเนียรรัตนะมีลานกลมเนื้อที่ประมาณห้ารยโยชน์ ระหว่างอุทยานกับนครนั้นมีสระโปครณีสองสระชื่อธรรมมาและสุธรรมาที่ฝั่งสระโปครณีทั้งสองนั้นมีลานหินรัตน์สองลานชื่อธรรมมาและสุธรรมามีสัมผัสสบายดุดหนังละมั่งระหว่างทิศปาจีนกับทิศอุดรมีอุทยานชื่อมหาวันแวดล้อมด้วยกำแพงและสมประตูดังกล่าวแล้วมีลานกลมเนื้อที่ประมาณเจ็ดร้อยโยชนัน แม้ในอุทยานมหาวันมีเรือนยอดสําเร็จด้วยรัตนะประมาณหนึ่งพันหลังระหว่างอุทยานมหาวันกับอุทยานนันทวันมีสระโบคอรนีงดงามด้วยรัตนะ์ชื่อนันทาเป็นสถานที่สําราญของพวกเทวดามีลานกลมเนื้อที่หนึ่งร้อยยอดที่ท่ามกลางแห่งนคร น, นั้นมีปราสาทชื่อเวชยันของท้าวสกตะสําเร็จด้วยรัตนะเจ็ดประการสูงเจ็ดร้อยยนด ระดับทรงสูงสามร้อยยอดรอบปราสาทนั้นมีทงแก้วมณีที่เสาทองคำสุกปรังมีทงทองที่เสาแก้วมณีมีทงแก้วมุกดาที่เสาประพานมีทงแก้วประพานที่เสาแก้วมุกดามีทงรัตนเจ็ดประการที่เสารัตนเจ็ดประการมีรถเวชยันยาวหนึ่งร้อยห้าสิบยส่วนข้างท้ายแห่งรถเวชยันห้าสิบย เรืนรถตรงกลางห้าสิบโยชนับจากสายชนะถึงนอนรถก็ห้าสิบโยบนรถเวชยันนั้นมีบันลังหนึ่งโยตั้งอยู่บนบันลังนั้นมีสวติตชัปสามโยเฉพาะแอกข้างหนึ่งเทียมด้วยมา้าอาชาในพันตัวเครื่องประดับนอกจากนั้นนับประมาณนี้ได้ก็ธงแห่งรถเวชยันนั้นตั้งสูงขึ้นไปสองร้อยห้าสิบโยซึ่งถูกลมพัดแล้วเสียงเปล่งออก ดุดเสียงดนตรีมีองค์ห้าท้ามหาราชพระนามว่าทตรัฐมาชุมนุมพร้อมกันกับกองทัพของตนที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศปาจีนกับคณะคนทันหนึ่งแสนโกธถือดาบเงินแวดล้อมด้วยประทีปด้ามเงินหนึ่งแสนโกดทรงมา้าตัวประเสริฐสีเงินชื่อสุเทวะประดับพร้อมด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง รับหน้าที่อารักขาด้านทิศป้าจีนคือทิศตะวันออกบนยอดภูเขายุคันทรนผ่านจากทิศนั้นท้ามหาราชพระนามว่าวิรุณหกมาประชุมพร้อมกับกองทัพของตนที่ขอปากจักรวาลด้านทิศทักษิณคือทิศใต้กับคณะกลุมพันคือพวกยักษ์ที่เป็นบริวารถือดาบแก้วมณีหนึ่งแสนโกศแวดล้อมด้วยประทีบด้าบแก้วมณีหนึ่งแสนโกศ ระดับอาพรแก้วมณีทรงม้าตัวประเสริฐแก้วมณีรับหน้าที่อารักขาด้านทิศ ท, ทักษิณคือทิศใต้บนยอดภูเขายุคันทรถัดจากทิศนั้นท้ามหาราชพระนามว่าวิรูปักผู้เว้นจากรูปแปลกคือมีรูปไม่แปลกมาชุมนุมพร้อมกับกองทัพของตนที่ขอปากเจดวาลด้านทิศปัดฉิมคือทิศตะวันตกกับคณะเทพนา หนึ่งแสนโกดถือดาบแก้วประพานแวดล้อมด้วยสรทีปด้ า, แ า, น, น, แ น, ดานแก้วประพาลหนึ่งแสนโกดระดับอาภร์แก้วประพานทรงม้าตัวประเสริฐสีแก้วประพานรับหน้าที่อารักขาด้านทิศปัจฉิมบนยอดภูเขายุคันทรนถัดจากทิศนั้นท้ามหาราชพระนามว่าเวสวันมาชุมนุมพร้อมกับกองทัพของตนที่ขอปากจักรวาลด้านทิศอุดร กับคณะยักษ์ผู้กล้าหาญและปากกล้าหนึ่งแสนโกดถือดาบสีทองแวดล้อมด้วยประทีปด้านสีทองหนึ่งแสนโกดระดับอาพรทองตรงม้าตัวประเสริฐสีทองรับหน้าที่อารักขาด้านทิศอุดรบนยอดเขายุคหันทอนก็ท้าส ก, กะมีช้างชื่อเอราวันขนาดร้อยห้าสิบโยศช้างเอราวันนั้นเป็นเทพบุร จริงอยู่ในเทวโลกไม่มีเิรชาเพระะนั้นในเวลาทิท้าวส ก, กะจะเสด็จออกกรีทาในอุทยานเทพบุตรนั้นก่อนละอัตภาพเป็นช้างเอราวันขนาดร้อยห้าสิบโยชช้างเอราวันนั้นเนรมิตรกระพองสามสิบสามกระพองกลมประมาณครึ่งโยชนสามขาวุฒท่ามกลางกระพองเหล่านั้นช้างเอราวันก่อนเนรมิตรกระพองสามสิบโยชชื่อสุทัศนะ เพื่อเท้าส ก, กะบนกระพองสุทธัตนะนั้นมีมนดบรัตนสิทธิโยชบนกระพองนั้นเป็นระยะมีธงรัตนะทั้งหลายทำด้วยรัตนเจ็ดประการปักอยู่สูงหนึ่งโยชมีตาข่ายกระดิ่งห้อยอยู่ ร, บรอบๆซึ่งพอต้องลมอ่อนแล้วย่อมเปล่งเสียงออกดุดเสียงดนตรีทิพเจือด้วยดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าตรงกลางมนดก มีบรรลังแก้วมณีหนึ่งยอดปูลาดไว้สําหรับเท้าสกตะท้าสกตะเทวราชประดับด้วยเครื่องประดับหนักหกสิบเล่มเกวียนกระทั้บนั่งบนบรรลังนั้นบรรดากระพองสามสิบสามกระพองช้างเอราวันเนรมิตรงาไว้กระพองละเจ็ดกิง่งบรรดางาเหล่านั้นงาแต่และกิ่งยาวห้าสิบยอและบรรดางาเหล่านั้นบรรดากอปทุมเหล่านั้นมี ดอกกอละเจ็ดดอกและบรรดานาเหล่านี้มีสระโบคกรณีงาละเจ็ดสะในสะโบคกรณีแต่ละสะมีกอปทุมสะละเจ็ดกอบรรดากอปทุมเหล่านั้นมีดอกกอละเจ็ดดอกแต่ละดอกก็มีกลีบดอกละเจ็ดกลีบบนแต่ละกลีบก็มีเทพธิดาฟ้อนรำอยู่กลีบละเจ็ดนางเทพธิดาแต่ละนาที่ฟ้อนรำอยู่ มีเทพธิดาบริวาร น, นางละเจ็ดยืนอยู่งาเป็นต้นแห่งกระพองสามสิบสามกระพองก็นับรวมกันแล้วจะมีงาสองร้อยสามสิบเอ็ดกิง่งเมื่อนับรวมกันอย่างนั้นสระโบขรณีมีถึงหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดตะกอประทุมมีถึงหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเก้ากอดอกประทุมมีถึงเจ็ด3มื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสามดอก กรีบัวมีถึงห้าแสนห้ามื่นสี่พันหกร้อยสามสิบเอ็ดกรีบเทพธิดาทั้งหลายผู้ฟ้อนรำอยู่บนกรีบประทุมเหล่านั้นมีจำนวนถึงสามล้านแปนแปดมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดนางเทพบริวารเทพธิดาที่เป็นบริวารของเทพธิดาผู้ฟ้อนรำเหล่านั้นมีจำนวนถึงยี่สิบเจ็ดล้าน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเก้านางมหอระศบฟ้อนรำบนงาช้างทั้งหลายมีอยู่ในเนื้อที่ห้าสิบโยชน์โดยรอบด้โโวยประการชนิ้นี่ก็เป็นสมบัติของท้าวสกกะผู้ที่ได้ทำบุญกุศลมาอย่างมากมายแล้วก็มาเกิดในศาสนานี้ด้วยนะเป็นผู้ที่เป็นพระสวสดบันด้วยฟังธรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ บรรลุเป็นพระสดาบันฑ์สมถเวสมบัติอย่างมโหรานก็ควรสัการบุติตาด้วยนะในฐานะที่ได้บำเพ็ญบุญกุศลแล้วก็เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปก็จะกล่าวถึงในเหตสีของท้าวสัตกะแล้วก็สมบัติต่างๆอีกซึ่งจะกล่าวในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของ อาทีนวะโทษทั้งหลายคือเรื่องของนรกแล้วก็เรื่องของสวรรค์ซึ่งเป็นอาสาทะมีทั้งอาทีินวะมีทั้งอาสาทะก็เป็นสิ่งที่ทําให้น่าจะเบื่อน่ายใครกําหนัดแล้วก็ควรจต่การที่จะทาที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้อบรมไตรศึกขาเพื่อที่จะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ในเร็ววันนี้ด้วยเทิดสาธุสาธุสาธุ